เดือนที่สา น, านานาสภาวะจิตการเจริญสติในเดือนที่สองทำให้ฉันเห็นตามจริงอย่างหนึ่งคือโลกนี้แบ่งเป็นสองภาคคือภาคแห่งรูปธรรมและภาคแห่งนามธรรมโลกแห่งรูปธรรมมีความวิจิตพิสดารหลากสีหลายสันอาจถูกตกแต่งปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามสภาพดินฟ้าอากาศและจินตนาการสร้างสรรค์ของมนุษย์ส่วนโลกแห่งนามธรรม ก็มีความวิจิตพิสดารในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลสัมผัสไม่ได้ด้วยตากับหูกําหนดรู้ได้ด้วยใจและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจะผ่านไปกี่กับกี่กันก็ตามการรู้ตัวให้ได้ว่ากําลังสุขหรือทุกข์นั้นจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะส่วนใหญ่เวทนาของเรามักเป็นเฉยคือไม่เอียงไปทางสุขชัดขณะเดียวกันก็ไม่อยากตัดสินว่าเป็นทุกข์ แต่เมื่อจเจริญสติปัฏฐานกระทั่งเป็นสุขอยู่กับลมหายใจและอิริยบทได้ความสุขก็จะเริ่มปรากฏเด่นกระทั่งแม้คิดฟุ้งซ่านหน่อยเดียวก็อาจเทียบเคียงเห็นว่ากำลังเป็นทุกข์ทางใจได้และฉันเห็นว่าการฝึกรู้เวทนาจนคล่องแล้วนั่นเองก็ลากจูงมาเห็นสภาวะของจิตได้ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ประทานไว้ในหมวดจิตของสติปัฏฐานสความจริงฉันเห็นสภาวะจิตต่างๆ ตามที่พระองค์ท่านแนะให้ดูมาบ้างปรักปรายอาจจะตั้งแต่เริ่มเริ่มภาวนาจริงๆทีเดียวเพียงแต่ฉันอาจจะดูในขอบเขตที่กําหนดไว้ในใจว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มากกว่าเช่นกําลังมีราคะก็กําหนดว่าเป็นสุขมีโทสะก็กําหนดว่าเป็นทุกข์ขึ้นเดินที่3าฉันสํารวจแล้วพบว่าตัวเองเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นประการหนึ่งซึ่งค่อนข้างสําคัญและพลิกมุมมองในการตั้งสติเจริญภาวนาได้มาก นั่นคือราคาอาจเป็นสุขสำหรับจิตสามัญของปุถุชนทั่วไปแต่อาจเป็นทุกข์สาหรับผู้เข้ามารู้เห็นอยู่ในโลกของนามธรรมอย่างเช่นเดือนก่อนฉันปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือเปรียบเทียบระหว่างสุขแบบโลกโลกกับสุขแบบปราศจากเหยื่อล่อภายนอกก็พบตามจริงว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีรู้เช่นนี้ซ้าไปซ้ามาหลายรอบเข้าจิตก็เริ่มฉลาด และเลือกสุขที่เหนือความสนุกชั่ววูบนี่เป็นตัวอย่างว่าในอีกระดับการปฏิบัติหนึ่งเมื่อเกิดราคะรบกวนจิตฉันจะไม่ดูด้วยมุมมองว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่เห็นตามจริงว่าขณะนั้นๆั้นกลังมีราคะอีกประการหนึ่งเมื่อฝึกอานาปานสติจนคล่องแล้วเป็นสมบัติติดตัวแล้วคืออย่างน้อยต้องรู้บ่อยๆว่ากาลังหายใจเข้าหรือหายใจออกก็พบความจริงประการหนึ่ง คือฉันสามารถอ่านใจตัวเองผ่านลมหายใจได้หมดเช่นกำลังคิดมากหรือคิดน้อยกำลังรีบร้อนหรือวางเฉยกำลังลากยาวหรือกระชากสั้นกับทั้งเห็นว่าลมหายใจเองนั้นหากทำให้มีคุณภาพแล้วก็จะปรุงทั้งกายและจิตให้สงบระงับง่ายต่อการกำหนดสติรู้สภาพเด่นตรงหน้าตามจริงทั้งรูปธรรมและนามธรรมการลงทุนกับลมหายใจในขั้นเริ่มต้น โดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์แรกให้เกิดนิสัยรู้ลมนั้นจึงคุ้มยิ่งกว่าคุ้มและส่งผลมาถึงขั้นของการปฏิบัติที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้อย่างนี้เองพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายจึงเหมือนขยันขยอให้ผู้หวังพ้นทุกข์ตามแนวสติปัฐานสี่ทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของอนาปานสติกันนักการเจริญสติรู้สภาวะจิตอย่างย่อสาหรับมือใหม่สภาวะจิต หรืออาการของจิตที่พระพุทธเจ้าทรงให้ฝึกรู้ฝึกดูในสติปัฏฐานสี่นั้นไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ให้เสาะหาว่าท่ารู้อยู่ตรงไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่การควบคุมให้จิตมีลักษณะแบบใดแบบหนึ่งเช่นจงดีอย่างเดียวอย่าได้เสียหายจงบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่าได้แปดเปื้อนมลทินใดๆการทำจิตให้ดีๆเช่นตั้งเป็นสมาธินิ่งๆิ่งนั้นฉันก็แยกเวลาทาอยู่ และนับได้ว่าพัฒนามาจนใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วแต่เมื่อจะเจริญสติในหมวดจิตการตั้งมุมมองไว้จะเปลี่ยนไปคือจิตดีก็ดูจิตไม่ดีก็ดูเพื่อความรู้ชัดว่าตอนจิตดีนั้นลักษณะเป็นอย่างไรจิตไม่ดีนั้นลักษณะเป็นอย่างไรเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเหมือนมๆกันหรือไม่หลักการเบื้องต้นสําหรับสังเกตสภาพจิตแบบต่างๆมีดังนี้หนึ่ง เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ 2. เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะสเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ 4. เมื่อจิตหดหู ก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านห้าเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิ ต, จตเป็นสมาธิาเมืม่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิฉันจับหลักได้อย่างหนึ่งคือการรู้สภาวะจิตทั้งหลายเหล่านี้ให้ครบได้ควรตั้งหลักจากจิตที่นิ่งเบาพอประมาณประกอบกับมีสติที่แข็งแรงตามสมควรกล่าวคือ จิตที่เป็นฝ่ายอากุศลควรมีกำลังอ่อนเมื่อถูกรู้แล้วแสดงอนิจจังง่ายกลายเป็นจิตฝ่ายกุศลในเวลาไม่เนิ่นนานเปรียบได้กับไฟที่ลุกวาบบนหัวไม่ขีดก้านสั้นไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเสียเวลามากก็เห็นว่าไฟเกิดแล้วดับลงทันตารู้ทั้งไฟลุกกับไฟดับจนทราบสภาพต่างกันอย่างชัดเจนวันที่หนึ่งพักร้อน สำหรับคนที่ต้องทำงานวันเสาร์ครึ่งวันคล้ายถูกชักนำให้หาอะไรทำนอกบ้านเสมอสำหรับคนเมืองทั่วไปคงหนีไม่พ้นการเที่ยวเดินห้างและดูหนังกับแฟนแต่สำหรับฉันหลังจากเจริญสติปัฏฐานแล้วอยากเที่ยววัดวัดใกล้ไกลหนไหนก็ได้ขอให้สงบร่มรื่นและโน้มน้าวให้นึกถึงนิพพานเป็นพอวันนี้ก็ตั้งใจดนไปตามแต่หนทางจะนำพา หมู่นี้ไม่อยากอยู่ในเมืองมากขึ้นทุกทีงานการอาหารอากาศทุกอย่างดูแห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาไปหมดสู้ความสดชื่นตื่นเต็มตอนมีเวลาภาวนาเต็มที่ไม่ได้เลยทำงานไปได้แค่ชั่วโมงเดียวฉันก็เกิดความคิดกระทันหันพิมพ์จดหมายลาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเดินไปยื่นให้หัวหน้าแจ้งความจนงด้วยปากเปล่าว่าถ้าไม่ขัดข้องหรือต้องการให้ฉันทาอะไรเป็นพิเศษ อาทิตย์หน้าฉันขอใช้สิทธิพักร้อนลาหกวันติดกันตั้งแต่จันร์ถึงเสาร์หัวหน้าผงกหัวทีหนึ่งอนุมัติทันทีโดยไม่เปิดจดหมายผู้สั้นๆแค่เอาเลยผมเข้าใจเขาเนึกว่าฉันเศร้าและเครียดเรื่องว่าที่หัวหน้าแผนกคนใหม่กระมังเปล่าเลยเรื่องนั้นไม่รบกวนจิตใจฉันอีกแล้วฉันรู้สึกดีด้วยซ้าที่มีเรื่องเหยียบอัตตาให้เตี้ยลงเพราะหมายความว่าเมื่อผ่านช่วงเวลาทาใจแล้ว ใจฉันยังสงบราบคาบได้ถึงวันนี้ไม่กลับกำเริบอยากตีโพยตีพายขึ้นอีกก็แปลว่าการเจริญสติเพื่อลดละอัตตาเริ่มออกผลเบื้องต้นบ้างแล้วแต่หัวหน้าเข้าใจว่าฉันลาไปคลายเครียดก็ดีเหมือนกันเพราะจูจ่ๆลาพักร้อนกะทันหันผิดธรรมเนียมบริษัทที่ต้องแจ้งล่วงหน้ากันเป็นเดือนออกจากออฟฟิศวันนี้ฉันเป็นสุขหัวใจเป็นอิสระเหลือพนนา ประมาณว่าสุขเท่ากับที่เคยฝันว่าลาออกจากงานเมื่อวันสิ้นเดือนก่อนทีเดียวแต่ตอนนี้ตัวจริงยามตื่นของฉันยังตัดไม่ขาดหรอกลาออกแล้วหางานใหม่เริ่มงานใหม่ศึกษาและปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไม่ใช่เรื่องสนุกนักเว้นแต่เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในจังหวะที่เหมาะสมของชีวิตซึ่งตระเตรียมไว้รอบคอบแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเมื่อยังต้องคลุกกับความคิดเรื่องงาน เป็นลูกจ้างบริษัทเต็มเวลาก็แปลว่าฉันเป็นแค่นักภาวนาพาร์ทไทม์ในแง่ของคนเดินทางบนเส้นทางสู่มรรคผลก็จัดเป็นพวกอ่อนแอรกระปวกกระเปียกเดินโซซัดโซเซไม่ค่อยจะอยากพ้นต้นทางเสียทีพอแค่ลาพักร้อนหน่อยเดียวเห็นว่าไม่ต้องคิดเรื่องงานเป็นอิสระจากงานได้แค่นาทีเดียวใจก็ต่างไปจากเดิมแล้วใจต่างอย่างไรฉันพยายามสำรวจเข้ามา ประการแรกไม่ต้องละล้าละลังกังวลว่าเดี๋ยวจะต้องเอาหัวไปแบกเรื่องอะไรบ้างประการที่สองกระยิมยิ้มย่องได้ว่างวดนี้สมาธิจะต้องพัฒนาขึ้นแน่ประการที่สคือหวังว่าจะได้เป็นผู้มีบารมีแก่กล้าบรรลุมรรคผลด้วยการปฏิบัติธรรมภายในเจวันกับเขาสักคนหนึ่งด้วยความคาดหวังเป็นอย่างสูงในข้อสุดท้ายนี่เองทาให้ใจมีลักษณะผละจากโลก เหมือนลาออกจากความเป็นปุถุชนคนธรรมดาในโลกจึงใส่เบาเป็นพิเศษยอมรับละว่ายังตัดความโลภอยากได้มรรคผลไม่ขาดแต่จะให้ทำอย่างไรไปแบบไม่มีหวังเลยหรือฉันก็ว่าจะบำเพ็ญเพียรตามกำลังไม่ใช่ไปนอนงอมืองอเท้าซะหน่อยคนซื้อลอตเตอรี่ด้วยความหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเลขท้ายก็ยังอุตส่ามีคนสมหวังทั้งที่นอนฟังวิทยุลุ้นอยู่กับบ้านเฉ ย, เฉย แต่นี้ฉันอยากได้มรรคผลด้วยการบากบั่นมานะพยายามตามแนวทางที่ถูกต้องจะไม่น่าให้กำลังใจยิ่งกว่าพวกหวังรวยทางลัดหรือสำคัญคือฉันรู้แล้วด้วยว่าจะทำอย่างไรตอบรับท่าไหนถ้าโลภอยากได้มรรคผลจนเป็นทุกข์หรือปล่อยสติออกนอกทางก็แค่พิจารณาว่านั่นเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งดูให้เหมือนดูทุกข์อื่นๆถ้าไม่ไหวก็กลับไปพึ่งลมหายใจ จนกว่าจะเป็นอุเบกขาแล้วค่อยกลับมารับมือกับมันใหม่รอบหน้าดีเหมือนกันถ้าปลิดวิเวกด้วยความอยากไปเอามรรคผลจะได้เตรียมรู้ทุก์เพราะอยากแล้วไม่สมปรารถนาเตรียมใช้ทุกขทางใจเ ป, เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งซะแต่เนินเนิ่นที่เหลือของวันฉันใช้ไปกับการครุ่นคิดวางแผนเรื่องสถานที่เพราะนี่เป็นการตัดสินใจกับทันหันและฉันก็ไม่ใช่คนชนานาญเรื่องพระดีและสถานที่ดัง คิดไปคิดมากิเลส ท, ที่คอยจะเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วก็บอกให้ไปพักรีสอร์ทหรือโรงแรมดีกว่ามันก็เป็นห้องหับเหมือนๆกันกับห้องที่เขากำหนดไว้ให้เป็นสถานที่ภาวนาของคารวาสนั่นแหละฉันจะเลือกแบบไม่ต้องแพงมากแต่ใจอุตส่าห์อยากได้หรูๆสบายๆหน่อยฉันรับรองกับตัวเองว่าจะไม่นอนแช่อิ่มจะไม่เปิดตู้เย็นบ่อยแต่จะให้วันเวลาล่วงไปอย่างมีคุณค่า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 ขับรถมาจากกรุงเทพหลายร้อยกิโลกําลังนเหนื่อยต้องขอนอนพักก่อนแอกําลังเย็นสบายพอล้มตัวลงนอนแผ่บนเตียงเดี๋ยวเดียวก็หลับปุ๋ยลืมตาตื่นแล้วลุกขึ้นด้วยความงัวงเงียมองนาฬิกาก็ตกใจเฮ้ยนึกว่าห้านาทีนี่ป่าเข้าไปเกือบสามชั่วโมงฉันละงงจริงๆบางทีนึกว่างีบเดี๋ยวเดียวจริงๆป่าเข้าไปครึ่งข้อนวัน แต่บางทีรู้สึกเหมือนหลับไปนานแต่ตื่นมาเห็นเข็มนาฬิกากระดิกไปแค่ครึ่งชั่วโมงความรู้สึกของมนุษย์ไม่อาจบอกเวลาช้าเร็วได้เที่ยงตรงอย่างเช่นอุปาทานไปว่าเพิ่งมาอยู่ในโลกได้เดี๋ยวเดียวความจริงอาจใกล้ครบรอบที่จะต้องอำลาเวทีนี้เพื่อเดินสายต่อไปหาเวทีใหม่อีกแล้วฉันไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่บิดขี้เกียจแต่ลุก ข, ขึ้นเข้าห้องน้ําเพื่อทําร่างกายให้สดชื่นทันที ก่อนตะวันตกดินฉันจะไปนั่งสมาธิแถวชายหาดให้ได้ราวห้าโมงเย็นแดดกำลังร่มลมกำลังตกฉันเดินดุ่มไปตามหาดขาวยาวเป็นระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรเพื่อเข้าถึงเขตที่ผู้คนบางตาและมีภูเขาหินเตี้ยๆ ย, ยื่นออกไปในทะเลให้ป่ายปีนขึ้นไปนั่งมองขอบฟ้าจากมุมสูงกว่าพื้นทรายราว20สเมตรลมทะเลพัดอู้เกือบตลอดเวลาบางครั้งหอบแรง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 วางลงบนแผ่นดินใหญ่ยากที่แรงกระทําภายนอกจะทําให้โยกเยกกระทั่งฉันเห็นความหนักแน่นคงที่ที่ฐานความรู้สึกขณะเดียวกันก็สำเนียกได้ถึงความใสเบาอันแผ่รัศมีกว้างออกไปเบื้องหน้าและเบื้องขวางซ้ายขวารับทราบตามจริงว่านั่นเป็นสภาพของจิตที่สั่งสมสติมาดีแล้วระยะหนึ่งรวมกับการถูกสภาพเปิดแผ่กว้างขวางของทะเลปรุงแต่งสัมผัส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 ทว่ากลับแต่งจิตของผู้ปรารถนานิพพานให้อิ่มเอมเปรมสุขเนื้อคำบรรยายเสียงคลื่นกระทบฟังแล้วถดถอยสู่ความสงบเป็นระลอกระลอกฟังแล้วแทนที่จะเตือนให้จินตนาการสแสวงหาคนรักมาเดินเคียงกลับส่งให้เงี่ยหูสดับตามจริงว่าคลื่นน้ำกระทบสิ่งใดแล้วก็จบไปรอคลื่นลูกใหม่มาปะทะอีกและอีกคลื่นครั่นแล้วแผ่วซาแผ่วซาแล้วคลื่นครั่น มีอยู่เท่านี้จริงๆไม่ต่างจากโลกแห่งภาษะกระทบเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรได้ลิ้มอะไรได้สัมผัสอะไรได้คิดอะไรเกิดปฏิกริยาทางใจวูบหนึ่งแล้วก็ดับรอการกระทบระลอกใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อไม่แส่สายออกไปรับกระทบหยาบไม่ปล่อยให้ปฏิกริยาทางใจเป็นไปในทางยึดมั่นถือมั่นไม่ยินยอมถูกครอบงาด้วยความชอบหรือความชัง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 คือจะหยุดขณะยังไม่อิ่มเต็มที่พ่อครัวที่นี่ฝีมือไม่เลวยากจะอดใจไหวแต่ก็ไหวด้วยความตั้งใจจริงจนได้ฉันทานไม่หมดและไม่สั่งอะไรเพิ่มเรียกเด็กเช็คบินแล้วเดินลงชายหาดมืดอย่างไม่กลัวโดนตีหัวชิงเงินเท่าไหร่เพราะเขตนี้เป็นหาดส่วนบุคคลอีกทั้งไม่นักท่องเที่ยวต่างประเทศนั่งนอนบนเตียงผ้าใบเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ทั่วไป เลือกเตียงผ้าใบตัวหนึ่งเพื่อเอนหลังดูทะเลและชมดาวความมืดยามราตรีก่อจินตนาการได้หลากหลายฉันสังเกตตัวเองแล้วพบว่าหลังออกจากสมาธิใหม่ๆกับหลังทานข้าวเสร็จมาดปฏิกิริยาทางใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมสวยๆจะต่างกันเป็นคนละเรื่องอย่างเช่นตอนนี้ความคิดเริ่มก่อตัวไปในทางเพอ้อฝันซะมากฉากธรรมชาติส่วนใหญ่เหมือนแกล้งให้เรารู้สึกอ้างว้าง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 ย่อมกระสับกระสายเหมือนสัตว์ที่ถูกสอนเสียบแทงแต่กามนั้นเมื่ อ, อยังอยู่ในรูปความดำริหรือจินตนาการทวินหาก็มีกำลังอ่อนฉันเพียงยอมรับตามจริงว่าขณะ น, นี้กำลังมีราคะอยู่ในจิตมีเพราะมองฟ้ามืดมองดวงดาวมองแสงจันทร์แล้วนึกถึงเพศตรงข้ามนึกถึงภาวะคู่ นึกถึงการเกี่ยวก้อยแนบชิดเอาไอาอุ่นของกันและการรับลมทะเลยามค่ำคืนเมื่อยอมรับตามจริงสติรู้ตามจริงย่อมเกิดในที่นั้นทันทีราคะปรากฏเป็นสิ่งถูกรู้เห็นเป็นความสุขที่ล่อ ด, ด้วยเหยื่ในจินตนาการเป็นเงา ว, วาบหวามเป็นกระแสอ่อนหวานที่ทรงพลังดึงดูดมีผลให้จิตตั้งอยู่ในอาการเมื่อหารอคอยและเปี่ยมหวัง สติที่รู้ชัดในราคะนั้นทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเต็มๆวินาทีแรกคือเห็นอิริยาบทครึ่งนั่งครึ่งนอนบนเตียงผ้าใบแล้วต่อมาสติก็เข้าไปรู้ลมหายใจว่ากำลังลากเข้าและระบายออกอย่างมีความสุขสำรวจจิตอีกครั้งก็พบว่าราคะเลือนหายไปแล้วผู้ที่ผ่านการอบรมและมีฐานสติไว้ดีแล้วเมื่อราคะเกิดขึ้นในจิตแล้วรู้ทัน ความรับรู้ก็จะแปรไปที่ฐานสติซึ่งอบรมไว้แล้วนั้นเสมอฉันสังเกตอย่างละเอียดและพบว่าครั้งนี้ไม่ใช่การยกเอารมหายใจหรืออิริยาบถปัจจุบันเข้ามาแทรกแซงแทนที่ราคะแต่เมื่อครู่ฉันยอมรับตามจริงและรู้ตามจริงถึงลักษณะของราคะที่ปรากฏครอบงมจิตเมื่อรู้แล้วภายหลังสติจึงเกิดในอิริยาบถโดยไม่ได้เจตนาอย่างไรก็ตาม แม้สติจะรู้อิริยบทปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นการเห็นจิตปราศจากราคะไปด้วยพร้อมกันในคราวเดียวเพราะเมื่อรู้ตัวอยู่อย่างชัดเจนว่าขณะนี้ปราศจากราคะก็คือการเห็นภาวะต่างระหว่างจิตมีราคะแบบเมื่อครู่กับจิตปราศจากราคะอย่างเดียวนี้นั่นเองการฝึกสติปฐานสจึงเข้าถึงกันได้หมดไม่ว่ากายหรือจิตจะเริ่มรู้จักจุดใด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 อาจเป็นเพราะสติจดจ้องอยู่ว่าจะเกิดราคะอีกเมื่อใดหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินผ่านหน้าเห็นสลัวรางในเงามืดที่แสงนีออนอ่อนๆของรีสอร์ทศาสตร์จับดูเป็นคู่ที่สมกันดีผู้หญิงเอวองค อ, อระชอนอ่อนแอซวดทรงเหมือนนางแบบข้าตัวแพงส่วนผู้ชายก็กำยำล่ำสันดีแม้จะลงพุงไปหน่อยแต่ก็ท่าทางดูแลปกป้องผู้หญิงได้กับทั้งหน้าจะมีสเสน่ห์ไม่แพ้กันนัก ภาพตรงหน้าทำให้อารมณ์กระเจิงขึ้นมาอีกยอดสุดแห่งสุขขณะอยู่ในโลกมนุษย์ก็คงเป็นอะไรอย่างนี้แหละแค่เห็นก็พลอยปลื้มกึ่งอิจฉายอย่างนี้ถ้ามีเสอเองบ้างจะสุขหวานสักปานใดหนอเกือบตั้งสติไม่ทันเพราะจิตถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในภาพเบื้องหน้าจนหมดสิน้นเมื่อครู่แค่เกิดความดำริในกามยังพอกาหนดง่ายว่ามีราคะในจิต แต่ตอนนี้สายตาถูกดูดเข้าไปติดภาพภายนอกเลยไม่ทราบจะรับมืออย่างไรคิดในใจว่าไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่ต้องทำอย่างน้อยที่สุดก็ได้ความรู้ละว่าจิตที่ไปตั้งไว้กับวัตถุภายนอกเต็มเหนี่ยวนั้นที่จะให้เกิดสติย้อนกลับเข้ามาตั้งอยู่ในฐานที่มั่นเดิมคงยากทั้งที่กระซิบบอกตัวเองอยู่ว่าจิตมีราคะจิตมีราคะ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 วันที่3ถึง7บ่มกำลังเหมือนฉันกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตประจำวันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและจิตฉันก็ปรากฏเป็นสิ่งผิดแปลกคือฉันมองจิตตัวเองเสมือนเป็นกระจกใสให้คอยระวังฝุ่นละอองหรือคิดเท่าที่เข้ามาเกาะตลอดเวลาธรรมดาเราใช้ไม้ขนไก่คอยปัดฝุ่นเมื่อเห็นละอองปรากฏจับ ก, กระจกถ้าฝุ่นเพิ่งปลิวมาเกาะเพียงน้อย แค่ปัดแ ผ, แผ่วๆฝุ่นก็หายไปความใสสะอาดของกระจกก็ปรากฏเต็มบานดังเดิมชั้นใดชั้นนั้นเราใช้สติคอยตามรู้ฝ้าหมอกกิเลสที่มาจับจิตหากกิเลสเพิ่งร่วมมาเกาะจิตเพียงนิดหน่อยแค่กำหนดสติรู้ว่าขณะนั้นๆมีกิเลสในจิตความใสสะอาดปราศจากมลทินของจิตก็ปรากฏเต็มดวงดังเดิมและธรรมชาติความผ่องใสของจิตย่อมให้ผลเป็นความรู้สึกเบิกบานในตนเอง การนั่งสมาธิฉันชอบออกไปนั่งที่ชายหาดบางทียอมร้อนไปนั่งบนยอดเขาเตี้ยตอนใกล้เที่ยงเพราะไม่ค่อยมีใครใจถึงขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์กลางแดดเปรี้ยงขนาดนั้นความจริงแค่ลำบากตอนเหยียบเหยียบจับจับหินร้อนเพื่อป่ายปีนขึ้นสู่ยอดนิดหน่อยแต่พอถึงยอดก็มีร่มไม้ใบบังพออาศัยนั่งพอสบายแล้วการเดินจงกรมฉันอาศัยชายหาดไม่ค่อยได้ เพราะภาษาระหว่างเท้ากับทรายจะเป็นลักษณะจมไม่เคยก่อให้เกิดสติรู้เท้าชัดแบบเหนี่ยวนำให้เกิดความรู้ทั่วพร้อมทั้งอิริยาบทเท่าใดนักช่วงกลางวันฉันจึงต้องใช้ทางเดินค่อนข้างสั้นในห้องพักนั่นเองก็ได้ผลดีเหมือนกันพอตกกลางคืนคนน้อยๆก็ค่อยย้ายไปยึดเส้นทางเดินชมสวนหย่อมของรีสอร์ทซึ่งมีบางช่วงเป็นทางตรงยาวกว่าในห้องมากแถมได้บรรยากาศปลอดโปร่งกว่า คือมีโดมมืดพราวแสงดาวเป็นเพดานห้องจงกรมในอักขิสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดจิตหดหูเมื่อใดจิตฟุง้งซ่านเมื่อนั้นไม่ใช่โอกาสที่จะเจริญโพชฌงได้สองสัวันแรกฉันจึงมีธุระง่ายๆแค่สังเกตตามจริงว่าขณะใดนิ่งขณะใดเคลื่อนไปเป็นหดหูง่วงเหงาหรือฟุ้งซ่านราคาญใจกับทั้งธรรมทุกวิถีทาง เพื่อกำจัดสองสภาพดังกล่าวไม่ว่าจะตรงหรืออ้อมทางตรงก็เช่นรู้เท่าทันขณะจิตเคลื่อนจากนิ่งตื่นไปเป็นมนหรือคิดเรื่องที่ผ่านผ่านมาทางอ้อมก็เช่นออกกําลังบ้างล้างหน้าบ้างมองฟ้ามองทะเลไกลๆบ้างหรือมานั่งเขียนบันทึกธรรมเพื่อทบทวนคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้างหากเผลอปล่อยให้ง่วงหรือฟุ้งจริงๆก็มักดูเข้าไปที่ลักษณะง่วงหรือฟุ้ง ซึ่งมีระดับแปรปรวนมากขึ้นหรือน้อยลงต่างๆกันในแต่ละลมหายใจดูไป10ถึง20ระลอกลมเข้าออกก็มักค่อยอยังชั่วขึ้นเช่นลมแรกๆเห็นความง่วงมีลักษณะกดแรงๆเหมือนจะดันหัวเราทิ่มลงฟูกพอดูอีกทีในลมต่อๆมาแรงกดนั้นก็คลายลงทำให้เบลเบลชาชาเครื่องตื่นเครื่องง่วงแล้วอีกสองลมหายใจต่อมาก็กดให้ง่วงหนักอีก ดูหนักเบาสลับกันซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งแรงกดน้อยลงทุกทีที่สุดก็เบาและเบิกบานอย่างเดียวไปเมื่อมีเวลาดูเต็มที่ทั้งวันฉันจึงเห็นว่าธรรมชาติจิตคนเรานั้นสลับกันไปสลับกันมาระหว่างหดหูงว่วงเหงากับฟุ้งซ่านราคาญใจคนเมืองจะมีธุระปับปังในหน้าที่การงานเกือบตลอดวันความฟุ้งจึงมีอายุยืนและถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยการงานนั่นเอง เรียกว่าฟุ้งอย่างมีเป้าหมายกระทั่งเมื่อบรรลุเป้าหมายก็เหมือนหายฟุ้งไปชั่วคราวนี่เป็นเหตุผลง่ายๆว่าทำไมคนเราต้องหางานทำคือไม่ใช่เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวแต่เพื่อเอามาสนองตอบความฟุ้งยุง่งจัดระเบียบความฟุ้งไม่ให้คับแน่นในหัวอย่างไร้ทางออกการยกสติขึ้นคอยรู้ว่าเมื่อใดพายุความฟุ้งก่อตัวขึ้นแล้วจึงไม่ใช่เรื่องที่ทาได้โดยง่าย เพราะไม่ใช่ธรรมชาติวิสัยเดิมที่เคยชินที่เราเคยใช้ความฟุ้งไปสะสางงานการให้เรียบร้อยอันนี้กลายเป็นผู้เฝ้ารู้เฝ้าดูว่าลมหายใจหนึ่งหนึ่งฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยกว่าลมหายใจก่อนหน้าเมื่อหายฟุง้งแล้วแปรเป็นสภาพหดหูง่วงเหงาไปแทนหรือไม่การมีเวลาว่างทั้งวันเฝ้าดูสภาวะจิตยอย่างเดียวนั้นโน้มน้อมไปทางฟุง้งและง่วงสลับกันไปสลับกันมาเป็นหลัก อาศัยความเพียรในการนั่งสมาธิและเดินจงกรมก็ช่วยไม่ได้มากนักเพราะเมื่อนั่งหรือเดินได้ราวครึ่งชั่วโมงหรืออย่างเก่งหนึ่งชั่วโมงจิตฉันจะดิ้นรนไม่อยากนั่งหรือเดินต่อเสียแล้วสองสาวันแรกจึงมีบ่อยครั้งที่อึดอัดทรมานอยากกลับกรุงเทพหรือไม่ก็เปิดหูเปิดตาไปเที่ยวไหนซะบ้างแต่ฉันก็หาทางระบายความอึดอัดด้วยการอ่านหนังสือธรรมะที่พกมาหลายเล่มแทนไม่อยากแพ้ภัยตัวเอง ไหนๆอยากมาบ่มเพาะกำลังจิตให้แกร่งขึ้นก็ควรให้เป็นไปตามนั้นถ้าแค่รักษาสัจจะง่ายๆไม่ได้แล้วจะเอากำลังที่ไหนไปรบกับกีเลสระดับทำลายภพชาติกับใครไหวพอสู้อดทนเพียรพยายามผ่านไปสามวันขึ้นวันที่สี่ก็เริ่มเห็นความงอกเงยออกดอกออกผลของสติคล้ายจิตเป็นม้าที่พยศน้อยลงมากกล่าวคือเริ่มรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่อง ทำให้จิตทรงสภาพตั้งมั่นได้เรื่อยๆแม้ไม่อยู่ในที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพอจิตตั้งถ้าจะแปลเป็นฟุง้งหรือก่อวอดจะดิ้นรนกลับกรุงเทพสติก็เท่าทันณนะเวลาที่พายุเริ่มก่อตัวแล้วกลับสงบสบายคล้ายไม่ไหวติ่งต้องสังเกตจริงๆจึงจะเห็นว่ายังมีระลอกความกระเพื่มไหวน้อยๆอยู่เกือบตลอดเวลาณนะจุดนั้นฉันให้คะแนนตัวเองว่าสติ อันเป็นองค์แรกของโพชฌงค์ปรากฏขึ้นแล้วในการเจริญภาวนาหมวดจิตคือเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้เมื่อจิตหดหู่ก็รู้เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ซึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างน้อยก็ยากกว่าครั้งฝึกตามรู้ให้เท่าทันว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าหลายขุมการจะมีสติรู้อย่างเป็นอัตโนมัติ ว่าจิตกำลังอยู่ในสภาพใดนั้นกำลังสมาธิมีส่วนสำคัญยิ่งหากขาดกำลังในแบบนิ่งแล้วสติก็จะเป็นไปแบบฟืดๆคล้ายมอเตอร์ที่ขาดน้ามันหล่อลื่นแม้หมุนก็อืดอาดหรือมีเสียงครืดคลาดน่ารำคาญแต่หากมีความเบิกบานในสมาธิเป็นน้ำมันหล่อลื่นแล้วมอเตอร์หมุนสติจะทางานคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่หมุนแบบไม่เต็มใจ ผลของการมีสติรู้สภาพจิตเป็นอัตโนมัติได้เสมอๆคือจิตปรากฏเป็นกระจกที่ใสเด่นขึ้นเรื่อยๆที่นึกว่าใสาแล้วยังมีใสได้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเฉพาะเรื่องความใสของจิตนี่พูดกันได้ยาวมีทั้งใสแบบวอบแวบเหมือนอุปท า, านไปเองแล้วกลับหม่นมัวอย่างรวดเร็วมีทั้งใสแบบรู้แช่ช่ด้วยความปลื้มอยู่กับความใสโดยไม่ตรหนักว่าตัวปลื้มนั่นก็เป็นหนึ่งในโมหะ แต่กว่าจะรู้จักจิตที่ใสเหมือนแผ่นน้ำแจ่มกระจ่างสามารถเห็นทะลุลงไปได้ถึงกรวดหินใต้ท้องน้ำทุกก้อนอย่างคมชัดสมาธิก็ต้องก้าวหน้าไปถึงระดับตั้งมั่นเบาสบายได้นานเกินชั่วโมงกับทั้งมีสติเท่าทันเป็นอัตโนมัติว่าสภาพจิตแปรจากตั้งมั่นไปเป็นอื่นเมื่อใดถึงจุดนั้นจิตหดหูกับจิตฟุ้งซ่านเหมือนเพื่อนเก่าที่หายหน้านาน ส่วนเพื่อนใหม่คือสมาธิจิตเวียนมาเยี่ยมบ่อยขึ้นยับยั้งอยู่กับชั้นยาวขึ้นจึงมีสภาพจิตให้สังเกตเพียงสองชนิดหลักๆคือเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิพอเห็นบ่อยเข้าว่าอย่างนี้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนี้จิตเคลื่อนจากความตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิองค์ที่สองของโพชฌงค์คือธรรมวิจัยก็ปรากฏเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามสร้างนั่นคือเกิดสัมปชัญญะ รู้เห็นอยู่ในขณะแห่งสมาธิว่านี่เป็นเพียงสภาพอย่างหนึ่งของจิตกับท้งรู้เห็นอยู่ในขณะไม่เป็นสมาธิว่านี่ก็เป็นแค่อีกสภาพหนึ่งของจิตเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ถาวรไม่ได้มีกําลังตั้งได้แค่ไหนก็อยู่ได้แค่นั้นในที่สุดต้องเสื่อมลงหรือแปรปรวนเป็นอื่นเป็นธรรมดาธรรมวิจัยอันเกิดจากการฝึกรู้สภาพจิตเกิดดับนั้นมีอนุภาพสูง ฉันไม่รู้สึกถึงความเป็นชั้นสิ่งที่ปรากฏก็แค่สภาพจิตอย่างหนึ่งตั้งอยู่ระยะหนึ่งตามกาลังแล้วเสื่อมสลายลงเหมือนฟองสบู่ที่ได้เวลาแตกออกไม่มีความพึงใจอื่นใดยิ่งกว่าการทราบชัดว่าจิตทรงอยู่ในสภาพใดแล้วแปลไปเป็นสภาพใดจึงกล่าวได้ว่าองค์ที่สามของพชน์ชงคือวิริยะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอด้วยความพึงใจนั่นเองถึงจุดหนึ่งที่อิ่มเอิบและเบิกบาน โลกภายในและโลกภายนอกดูโล่งแจ้งไปหมดฉันก็ตัดสินว่านั่นคือองค์ที่สี่ของโพ่อชงทำให้กายของฉันสงบระ ง, งับแต่ความสงบระ ง, งับกายขณะเฝ้าสังเกตสภาพจิตนั้นจะไม่ให้เห็นกายโดยความเป็นอิริยาบถคือกายปรากฏคล้ายแก้วใสมีกรอบมีขอบเขตสันฐานเพียงรางเลือนเป็นบางขณะบางขณะก็เหมือนวัตถุโปร่งแสงที่ไร้รูปพัน์สันฐานไปเลยเหลือแต่สภาพจิตอย่างเดียว ฉันเริ่มเห็นว่าอาการไหวของจิตน้อยลงทุกทีคล้ายมองไปในอากาศว่างแล้วไม่เห็นร่องรอยของลมไม่เห็นคลื่นความกระเพื่อมใดๆมีแต่ความว่างปรากฏอยู่ก็รู้สึกว่าจิตกําลังจะปรับเปลี่ยนสภาพครั้งสําคัญฉันประจักษ์จากการเฝ้าสังเกตคือแม้บางสภาวะตั้งนานเหมือนจีรังยั่งยืนในที่สุดก็ต้องแปรปรนไปเป็นอื่นประจักษ์ครั้งแรกไม่รู้สึกอะไรมาก ยังเห็นความอาลัยในสมาธิอยู่บ้างแต่เมื่อประจักษ์บ่อยๆเข้าก็เริ่มลดความยินดียินร้ายลงเมื่อจิตตั้งมัน่นก็รู้อยู่ในสภาพตั้งมัน่นโดยไม่มั่นหมายว่าเราเก่งที่ดมรงจิตอันสง่างามได้ปานนี้หรือถึงแม้เมื่อจิตคลายจากสภาพตั้งมัน่นก็ไม่อะไรว่าจิตเราตกลงแล้วค่อยๆเกิดมุมมองใหม่ชัดขึ้นเรื่อยๆคือสภาพจิตต่างๆไม่ใช่เรา เราไม่ใช่สภาพจิตใดสภาพจิตหนึ่งเลยแล้วจะต้องไปเสียดายสภาพจิตไหนๆทำไมกันตรงนี้เป็นจุดที่มีสาระสําคัญยิ่งกระทบไปถึงความอยากได้อยากมีมรรคผลอยากดีอยากเป็นอริยบุคคลเจเร่งรัฐเอามรรคผลไปทำไมมรรคขจิตก็คือจิตชนิดหนึ่งผลลจิตก็คือจิตชนิดหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเราในวินาทีนี้สักหน่อยก็ตัวเราในวินาทีนี้ยังไม่มี มีแต่สภาพจิตที่เดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็แสะสายแล้วจะไปหวังเอาสภาพจิตอื่นมาเป็นรางวัลให้ใครเมื่อจิตหยาบฉันกลับมากำหนดรู้ลมหายใจด้วยความพอใจจะสร้างความตั้งมั่นเฉพาะวินาทีนั้นเมื่อจิตละเอียดฉันก็ไม่เผลอลหลงไหลติดใจในความละเอียดแต่มีสัมปชัญญะรู้ชัดว่าจิตละเอียดประณีตก็แค่ภาวะหนึ่งแม้ไม่เห็นขณะแห่งการดับแต่ก็ยังรู้ว่าสภาพแบบนั้นไม่เที่ยง มีอันต้องเสื่อมสลายลงเป็นธรรมดาในอนาคตการอย่างรู้นี้ต่างกับขณะคิดคิดเอาว่าเดี๋ยวมันต้องดับเพราะจิตอยู่ในวาระแห่งการมีสัมปชัญญะรู้ชัดกับทั้งเคยผ่านประสบการณ์เห็นรอยต่ออันเป็นขณะแห่งการแปลสภาพจิตมาหลายหนจนเจนใจแล้วด้วยฉันคิดว่าองค์ที่6ของโพชทชงคือสมาธิความตั้งมั่นของจิต กัอบองค์ที่เจ็ดของพ่ชงคืออุเบขาความวางเฉยในจิตมังเกิดขึ้นแล้วแต่สัดส่วนอ่อนแก่หรือบริบูรณ์เพียงใดนั้นคงยังต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ฉันได้ข้อสรุปอันมีค่าหลายประการแต่ประการสำคัญที่อยากบันทึกไว้เหนือสิ่งอื่นใดคือถ้าจะให้องค์สุดท้ายของพชงปรากฏนั้นต้องปฏิบัติสติปัฏฐานในหมวดจิตดีด รู้จักจิตประเภทต่างๆทั้งต่ำและสูงทั้งหยาบและประนีตมีแต่ความเห็นว่าสภาพจิตหนึ่งเกิดแล้วต้องเคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้นไม่เพลินเพลอหลงไปว่าสภาพจิตใดน่า ย, ยินดีควรแกการปราบ ป, ปลืม้มอุเบกขาในโพชงเกิดขึ้นเพราะความเห็นอนิจจังบ่อยจนชินมิใช่เกิดขึ้นเพราะจิตตั้งมั่นวิเศษสุดแล้วแต่อย่างใดวันที่8ชาญ คืนวันศุกร์ฉันงิบสั้นๆแค่เดียวๆจิตตื่นโพล่งสว่างไสวแม้ขณะกำลังหลับฉันรู้สึกถึงพลังของจิตรู้สึกถึงพลังขับแห่งสตทิที่ทรงกำลังพอใจจะมีความรู้พอใจจะสอดส่องเข้ามาในขอบเขตกายเวทนาและสภาวะต่างๆของจิตสิ่งใดปรากฏชัดในขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็ดูสิ่งนั้นโดยไม่ตั้งแง่รังเกียจว่าหยาบหรือละเอียด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 ยิ่งเป็นนิมิต ท, ทรงคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นในระดับที่นิมิตแสดงสภาพอันปรากฏจริงนี้เรียกกันว่าอุคคหานิมิตมีประโยชน์คือเป็นที่ตั้งที่แน่นอนของจิตได้ยืนยาวฉันเห็นลมหายใจโดยความเป็นอุคขะหานิมิตมาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่คมชัดเดี๋ยวเดียวแล้วจางลงถ้าอยากเห็นอีกต้องเร่งกําลังใหม่ไขความสว่างกันใหม่ด้วยอาการน้อมนึกดีๆไม่เค้นเกินไป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 จับต้องได้ควบคุมได้โดยที่สติรับรู้ความเป็นเช่นนั้นไม่ตกไม่คลาดเคลื่อนไม่แปรปรวนไปไหนฉันดูไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและแล้ววินาทีแห่งประสบการณ์ระดับมหาคตะกุศลก็อุบัติเมื่อทุกอย่างคล้ายวูบลงเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศกระทันหันความสว่างนวลละ อ, อาหายไปเหมือนห้องที่เปิดไฟอยู่ดีๆแล้วมีใครมาปิดพึบ ทั้งหมดเกิดขึ้นในหนึ่งอึดใจเล็กๆจากนั้นก็ตามมาด้วยความสว่างโพลงมาโหรานอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตจิตรวมลงเด่นดวงกว้างขวางฉายสว่างเหมือนการแผด ร, รัศมีของอาทิตย์ยามเที่ยงเหมือนเข้าสู่มิติแห่งความหยุดอยู่กับที่ไม่มีเวลาไม่มีอากาศไม่มีตัวตนมีแต่ความตรึกนึกถึงสายลมหายใจยืดยาวและนุ่มลึกที่ผ่านเข้าออกกาย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 เหมือนฉันพลัดเข้ามาในเขตปราสาทยักษ์ด้วยความตื่นตะลึงในสภาพอลังการเพราะนึกว่าโลกนี้มีแต่กระต๊อบหลังเล็กๆที่เคยอยู่อาศัยมาชั่วนาตาปีปราสาทมั่นคงกว่ากระต๊อบสังกษีลิบลับปานใดจิตอันเป็นฌานก็มีเสถียรภาพเหนือกว่าจิตสามัญลิบลับปานนั้นนานเพียงใดฉันกำหนดไม่ถูกรู้สึกแต่ว่ากาลังถดถอยทั้งที่ยังเสพสุขยิ่งใหญ่ไม่อิ่มหนา พอจิตกลับมาสู่ในสภาพที่คิดได้ความคิดแรกที่ผุดขึ้นในหัวคือเข้าใจแล้วว่าจิตแห่งพรมเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วว่าเหตุใ ด, ดพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในชาณสังยุตว่าผู้กระทำให้มากซึ่งฌานย่อมสงัดจากกามและเป็นผู้โน้มน้อมไปสู่นิพพานดุดแม่น้ำคงคาต้องไหลบ่าไปสู่ทิศตะวันออกนาทีนั้นฉันไม่ใ ย, ยดีในสภาพหยาบในโลกใบเล็กเลยแม้แต่น้อย หากนิพพานเป็นธรรมชาติอันพระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายสรรเสริญว่าเหนือกว่าสุขในชาญก็แปลว่าผู้เข้าถึงนิพพานย่อมไม่มีภาวะใดเปรียบอย่างแท้จริงตระหนักซึ่งในบัตรนั้นว่าโลกปรากฏเป็นของเล็กจ้อยับแคบก็ด้วยจิตโลกปรากฏเป็นของโอลานพันลึกก็ด้วยจิตและบุคคลจะถึงที่สุดของโลกถึงที่สุดทุกข์ก็ด้วยจิตเช่นกันฉันย้อนทบทวนสภาพที่เพิ่งผ่านมา ที่รู้สึกเหมือนไม่มีเวลาเพราะจิตเด่นดวงเป็นหนึ่งรับรู้แต่กายและลมยาวไม่รู้อย่างอื่นร้อยความคิดแพ่วพานดุจเดียวกับท้องฟ้ายามปราศจากเมฆและฝูงนกจรผ่านแต่ความจริงชาญจิตยังอิงอยู่กับเวลามีความคลี่คลายไปจากความเป็นอย่างหนึ่งสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ของผู้เจริญสติในหมวดจิตคือเปรียบเทียบด้วยความรู้ชัด ว่าสภาพเมื่ออยู่ในฌานเป็นอย่างไรสภาพเมื่อออกจากฌานเป็นอย่างไรเมื่อเห็นแล้วแล้วเล่าๆจนชินก็เห็นเป็นธรรมดาว่าทั้งฌานาจิตและสามั ญ, ญจิตต่างก็เป็นธรรมชาติที่อาศัยเครื่องปรุงแต่งต้องแปลจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งแน่นอนไม่ช้าก็เร็ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะได้ปลีกวิเวกพอบ่ายก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วฉันจดบันทึกไว้อย่างละเอียดละอว่ามานนี้ได้อะไรบ้าง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 เมื่อเจริญสมาธิจนมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงนี่คือคุณค่าประการสำคัญของสมาธิที่มีผลต่อการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมว่าถึงประเภทของสมาธิพระองค์ตรัสว่าสมาธิภาวนามีอยู่สประการคือ 1. สมาธิเพื่ออยู่เป็นสุขเฉพาะหน้าคือสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุฌานสี่ระดับ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 ไม่ถูกครอบงามด้วยกามพยาบาทความง่วงงุนความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยใดๆกับทั้งย้ำชัดสำหรับผู้กลัวติดสุขในฌานไว้ในละทุกีโกปาโมสรคือสุขอันเกิดจากฌานสมาบัตินั้นบุคคลควรเสพควรทำให้เกิดมีควรทำให้มากและไม่ควรกลัวในสุขนั้น 2. สมาธิเพื่อได้ยาทัศนะ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 รู้แจ้งความตรึกนึกที่ดับไปอาการที่จิตตั้งมั่นรู้เห็นอย่างนี้มากๆคือสมาธิเพื่อทาให้เกิดสติสัมปชัญญะหลังจากเจริญสติปัฏฐานมาระยะหนึ่งฉันถึงเข้าใจว่าแค่รู้อาการทางใจโดยความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นยังเป็นเพียงสมาธิท่านที่ก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะไม่มีกำลังพอจะล้างกิเลสได้ขาด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 เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายใจโดยทําความเข้าใจไว้แต่ต้นว่ากายใจนี้เป็นที่ตั้งของอุปาทานกายใจนี้คือบ่อกเกิดของความรู้สึกว่านี่เรานี่เป็นเรานี่ของเราหากเห็นแต่ละองค์เกิดขึ้นแล้วต้องเสื่อมสลายลงเป็นธรรมดาฐานที่ยึดของอุปาทานย่อมพังคลื่นลงหมดสิน้นและนั่นเองสมาธิประเภทนี้ที่สั่งสมจนสมบูรณ์แล้ว ย่อมทาหน้าที่ประหารกิเลสให้ขาดสูญไปตามคำสัญญาที่พระพุทธองค์ประทานไว้แก่พระสาวกที่ดำเนินตามรอยบาทแห่งท่านสมาธิแต่ละประเภทไม่ใช่ถึงกันได้ง่ายนักยิ่งที่จะทำได้ครบทุกประเภทยิ่งหายากแต่หากดำเนินตามขั้นตอนของมหาสติปัฐานสูตรด้วยความเข้าอกเข้าใจมีความอดทนไม่ด่วนหวังผลเกินกาลังภายในไม่กี่เดือนย่อมประจักษ์ผลบางอย่าง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 ก็ยอมเชื่อมั่นว่าพอถึงชั้นรับปริญญาก็ต้องผ่านอีกเป็นหนึ่งในผู้ได้รับปริญญาวันยังคำ่ำวันที่เก้านิมิตสมาธิวันนี้ไปทำงานตามปกติทุกคนมองชั้นด้วยสายตาประหลาดและชั้นเองก็รู้สึกประหลาดเช่นกันเดินเข้าบริษัทเหมือนภูเขาลูกย่อมย่อมขณะที่เห็นคนอื่นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าหรือกรวดหินดินทรายเล็กจิว๋ว พยายามเตือนตัวเองว่ากําลังจิตยิ่งใหญ่เริ่มพ้นพิษเทียบเคียงจิตกับใครเห็นเขาเป็นเด็กน้อยตัวจจ้อยไปหมดความนิ่งอันเป็นเศษตกค้างของอำนาจชานนั้นมีอนุภาพสูงเห็นผลถนัดหลายประการแต่ประการสําคัญเมื่อต้องกลับมาข้องเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยกันคือกลายเป็นผู้น่ายำเกรงไม่มีใครกล้าต่อตาด้วยอย่างนี้เองผลข้างเคียงของการภาวนาดีๆอาจยกระดับโมหะให้ประนีตขึ้น แต่ถ้ารู้ไม่ทันว่าจิตกําลังถูกโมหะครอบโมหะก็จะแน่นหนาขึ้นเรื่อยๆในเรื่องนั้นๆจนดิ้นยากใครเตือนก็ไม่ฟังแม้แต่ตัวเองพยายามสํานึกก็แสนยากเพราะจิตที่ถูกโมหะปิดบังมานานนั้นยากที่แสงปัญญาจากทิศไหนๆจะส่องทะลุเข้ามาได้ฉันปรับสติเข้าสู่ภาวะรู้ตัวทันทีรู้ว่าขณะนี้จิตถูกโมหะครอบเป็นโมหะชนิดหลงตัวถือดีมีมานะ สภาพนั้นหนักคล้ายผนวมหน า, นาโปะอยู่บนหัวแต่พอรู้ความหนักนั้นตามจริงว่าเป็นโมหะชนิดหนึ่งสติก็คืนเข้าฐานที่มั่นคือกลับมารู้ว่ากำลังหายใจเข้าและคืนลมหายใจกลับสู่ความว่างภายนอกแล้วรู้ว่ากายกำลังอยู่ในรูปอิริยาบถเดินรู้สึกถึงฝ่าเท้ากระทบพื้นรู้สึกถึงขาที่ก้าวสลับรู้สึกถึงสองแขนที่แกว่งตามสบายและรู้สึกถึงศรีรษะที่ตั้งตรง โมหะหนั ก, นกแปรไปแต่สติกำลังทำงานคล่องจึงเห็นละเอียดว่าโมหะหนักแปรไปแล้วก็จริงแต่ยังเหลือโมหะเบาตกค้างนั่นคือรู้สึกถึงราศีสง่าที่ฉายออกมาจากจิตอันทรงภูมิสะท้อนออกด้วยท่วงทีเดินเหินหน้าเกรงขามแต่เมื่อสติเท่าทันว่านั่นเป็นใ ย, ยโมหะที่ถักทอคลุมจิตอยู่บางๆงสติก็ไปจับที่อิริยาบถอันงามสง่าล้วน จนความสง่าหายไปเหลือแต่อิริยาบถเดินอันจะต้องแปลเป็นอิริยาบถนั่งเมื่อถึงโต๊ะทางานไม่เห็นจะมีสาระอะไรอยู่ในความสง่าของสัตว์สองขายเยี่ยงมนุษย์เดินแล้วก็เปลี่ยนเป็นนั่งนั่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นยืนยืนไม่ได้ทนนานเดี๋ยวก็ต้องล้มลงนอนนี่คือสิ่งที่สติอันคมชัดรู้เห็นอยู่ตามจริงเข้าห้องประชุมเช้านี้ด้วยจิตที่อ่อนน้อม แต่ก็เห็นโมหะปรากฏวูบวบวาบวบตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนที่ต้องศบตาใครแล้วคนนั้นเกิดอาการประมาฉันรู้สึกถึงกระแสแรงสูงจากจิตตานุภาพตนเองที่เหนือกว่าทุกคนในห้องประชุมรวมกันคนในโลกมีจิตโอนเอ็นอ่อนไหวง่ายเหมือนต้นไมยราบถูกกระเทือนหน่อยก็ลู่หลุบหุบราบหรือต่อให้พวกมีอำนาจล้นฟ้าอย่างประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการทหารของประเทศ ก็มีจิตตั้งมั่นได้ระดับต้นกล้วยเจอนักมวยแข่งมหาการอย่างราคะโทสะโมหะเตะชะเดียวก็ขาดกลางแต่สำหรับผู้ทรงฌานนั้นความตั้งมั่นอยู่ในระดับโพพฤกที่มีลำต้นหนากิ่งก้านสาขาแผ่ออกให้ร่มเงาวกว้างไกลยากจะทำให้สั่นสะเทือนด้วยพายุหรือแม้แต่ขวานใหญ่จะโค่นได้ต้องมีกาลังมหาศาลจริงๆเช่นยังไม่จัดเป็นผู้ทรงฌาน อย่างมากเป็นได้แค่ผู้ที่เพิ่งแตะแ ต, ะต่งต้องชา น, นิดหน่อยเพียงทำงานตามประษาคนในโลกได้วันเดียวสำรวจอีกทีก็พบว่าจิตใสๆขุนมัวไปซะแล้วหฮ้าอย่าให้ต้องถึงขนาดกลับไปนับหนึ่งใหม่ก็แล้วกันที่พระพุทธองค์เปรียบชานเหมือนเด็กอ่อนล้มง่ายต้องคอยประครบประงมนั้นจริงยิ่งกว่าจริงฉันสังเกตจิตอยู่เรื่อยเพิ่งรู้ว่าการต้องสื่อสารกับคนจิตขุนทั้งหลายในโลก ก็ทำให้กระแสของเราขุนตามไปบ้างไม่มากก็น้อยขอเพียงใจเข้าไปสัมผัสกับพวกเขารู้สึกถึงอัตตาอันนานแน่นของพวกเขาเท่านี้ก็เริ่มเน่าได้เหมือนแอปเปิลปอกเปลือกเจออากาศ 2-3 สนาทีก็ค่อยๆช้ำหลงเรื่อยควรมีเปลือกคือสติกั้นไว้ก่อนเป็นด่านแรกการต้องอยู่ในโลกแล้วคิดกั้นจิตไม่ให้ไปกระทบโลกเต็มๆนั้นถ้าคิดตามธรรมดาก็เหมือนเรื่องหน้าเหนื่อย แต่เมื่อเสร็ผลหวานชื่นแล้วสักครั้งก็จะรู้ว่าควรยอมเหนื่อยไปทำไมคืนนี้ฉันเพียรเรียนแบบเส้นทางการเข้าถึงฌานของเมื่อวานแต่นั่งสลับเดินอยู่เกือบสามชั่วโมงก็ไม่สําเร็จจนชักเริ่มหงุดหงิดงุ่นง่านไหนล่ะแรงดึงดูดทรงพลังไหนล่ะความสะอาดว่างไหนล่ะความตั้งมั่นไม่เคลื่อนง่ายทาไมหายไปเร็วนักแค่ทางานวันเดียวเที่ยงคืนเสร็จ ฉันกำหนดเลิกภาวนาตามจิตตัวเองไม่ทันก็ปล่อยไปตามสภาพยอมรับว่าโมโหโมโหโลกทำไมต้องวุ่นวายคนจะมีความสุขซะหน่อยโมโหตัวเองทำไมรักษาฌานแค่นี้ไม่ไหวชัวข้ามคืนก็เสร็จมันอ้าวตายละไงคิดอย่างนี้ซะแล้วนี่แปลว่าอะไรฉันเสียดายเพราะติดสุขในฌานเหมือนคนติดยากล่อมประสาทแล้วไม่ได้เสพตามเวลา หรือว่าเสียใจที่ถอยหลังไม่อาจรู้ชัดรุกคืบเข้าไปในแดนกิเลสหรือแค่เหตุผลตื้นๆคือรู้สึกว่าเคยเก่งแล้วกลับกลายเป็นไม่เก่งแงนหน้ามองฟ้ามืดจิตใจปลอดโปร่งขึ้นจากสายตาที่ทอดยาวรู้ทั้งรู้ว่าเข็มทิศเริ่มชี้ไม่ตรงทางแต่ก็เข้าข้างตัวเองว่าเรายังฝ่ายดีแบบที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนนินาเพียงเพื่อฌานใครว่าไม่ดีเล่า เสียหน่อยเดียวตรงที่เพียรแล้วล้มเหลวก็หงุดหงิดหน่อยเท่านั้นเมื่อจับความทุกข์ที่ก่อตัวขึ้นได้ก็รู้สึกทุเลาเบาบางลงนี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่ก่อตัวขึ้นจากแรงปรารถนาในความสงบสุขเป็นทุกขเวทนาประเภทหนึ่งเมื่อเท่าทันได้ก็เห็นสักแต่เป็นสภาพของมันเช่นนั้นต้องเสื่อมดับไปเองเป็นธรรมดาแค่ไม่เอาเชื้อมาต่อไม่นาฟืนมาเติม คือไม่คิดถึงความล้มเหลวในการทําสมาธิกําหนดสติรู้สภาพของทุกข์อันเกิดจากการไม่ได้ฌานตามปรารถนาก็เห็นว่าทุกข์ไม่อาจตั้งอยู่ได้เมื่อขาดเหตุต้องสลายลงเป็นธรรมดาสิ่งที่ตามมาคือปีติสุขอันเกิดจากสัมปชัญญะรู้ความดับไปของทุกขเวทนาฉันยืนมองดาวนิ่งๆไหนๆก็รู้ลมหายใจจนเป็นฌานไม่ได้ ประชดด้วยการเล่นสมาธิแบบอื่นซะเลยฉันหลับตาลงเพื่อหลบผัสสะทางตาถ้าล่มตาฉันจะถูกสิ่งแวดล้อมบีบให้เชื่อว่านี่เป็นเวลากลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนหรือเป็นเวลานอนหลับให้สบายแต่เมื่อหลับตาลงอิทธิพลภายนอกก็น้อยลงฉันจะอธิษฐานจิตน้อมใจให้เชื่ออย่างไรขึ้นอยู่กับจินตนาการแล้วลากลมหายใจยาว ระบายลมหายใจยาวด้วยจิตใจผ่อนพักไม่ใช่ด้วยเจตนารวมจิตเพื่อแปลงสภาพจากดวงเล็กเป็นดวงใหญ่ความเย็นกายจากลมดึกและความสบายใจที่หวังน้อยทำให้จิตสงบตั้งมั่นได้ส่วนอย่างรวดเร็วแม้ห่างไกลจากฌานหลายร้อยกิโลเมตรอย่างน้อยก็เป็นความตั้งมั่นชั่วคราวที่พอใช้งานได้ตามปรารถนาฉันน้อมใจเชื่อว่าท้องฟ้ายามนี้เป็นฟ้าสลัวใกล้อรุณ แค่นึกนิดเดียวก็เหมือนใจเชื่อว่าเบื้องหน้าภายนอกคือฟ้าใกล้รุ่งจริงๆฉันไม่ได้เพ่งไกลออกไปไม่ได้บังคับสภาพภายนอกว่าขอจงเป็นฟ้าสางทุกอย่างที่จัดการคือความเชื่อของตัวเองเท่านั้นและเพื่อความแน่ใจว่ายังประคองการนึกอย่างต่อเนื่องก็ใช้สติรู้ลมหายใจเป็นเครื่องช่วยเตือนคือหายใจเข้าออกก็สารวจด้วยความรู้สึกสบายๆทุกครั้งว่ายังมีอาการน้อมนึกหรือไม่ ลมหายใจใดรู้สึกว่าจิตบีบลงมาเป็นก้อนความคิดคล้ายลูกบอลไส้ตันก็เพิกอาการนึกทอดตาตรงสบา ย, บายรู้ลมหายใจเข้าออกจนปลอดโปร่งแล้วค่อยน้อมนึกถึงที่วาการใหม่อุบายวิธีแต่ละอย่างของพระพุทธเจ้าถ้าลองทำก็เห็นผลเร็วอย่างน่าอัศจรรย์อย่างเช่นฉันเคยกำหนดให้จิตสว่างมันก็ไม่สว่างตามใจนึกง่าย แต่พออธิษฐานทำใจให้รู้สึกว่ากลางคืนเหมือนกลางวันเดียวๆ เ, เท่านั้นจิตก็สว่างกว้างมีความเปิดเผยไร้ไส้ตันไร้สิ่งห่อหุ้มรัดรึงสมนยกับพุทธพน์เปียบรอบด้านเหมือนสว่างจ้าและอบอุ่นขึ้นทุกทีเราก็เป็นกลางวันจริงๆอย่างนั้นแหละสว่างเป็นจริงเป็นจังจนชั้นฉงนสนเทวันนี้ตกลงโลกกาลังอยู่ในเงามืดหรือหันออกสู่พระอาทิตย์กันแน่ จิตที่มีความตั้งมั่นทำอะไรได้พิสดารหลากหลายอย่างนึกไม่ถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้อธิษฐานกลางคืนเป็นกลางวันให้มากแล้วย่อมมีจิตที่ตื่นตลอดขยันภาวนาได้โดยไม่ง่วงเหงาหานอนฉันก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆเช่นกันความสว่างยิ่งแรงยิ่งกว้างยิ่งชัดเท่าไหร่ใจก็ยิ่งขาวโพลนขึ้นเป็นลาดับให้หลับสบายบายกับวิ่งรอบหมู่บ้านตอนนี้ ฉันสู้ยอมเลือกอย่างหลังจะดีกว่าเมื่อความสว่างตั้งมั่นเข้าส่วนและเรากับลืมตาเผชิญแสงขาวรอบทิศกระแสจิตก็แผ่กว้างเหมือนพร้อมรับรู้เหตุการณ์ในโลกได้ไม่ติดขัดทํานองเดียวกับที่จิตตื่นพร้อมจะทํางานเวลาอยู่ในออฟฟิศผิดกันคือกระแสรู้ในบัดนี้คล้ายพร้อมทางานไม่จากัดอธิบายยากเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันจาเสียงโทรศัพท์ประจาห้องนอนของฉันได้ นี่นับเป็นน้อยครั้งที่ฉันลืมปิดสัญญาณโทรศัพท์หลังสามทุม่แต่การลืมของคนเราบางครั้งก็มีความหมายเพราะอาจเป็นช่องทางเข้ามาของอะไรบางอย่างหรือใครบางคนที่มีความสัมพันธ์กับเราค้างค้างให้สะสางในจิตอันสว่างแจ้งจางปางของฉันนั้นเสียงโทรศัพท์ไม่ใช่ปลุกประสาทหูให้ทํางานอย่างเดียวแต่ยังกวนกระแสจิตให้ก่อรูปนิมิตขึ้นจำชัดเป็นใบหน้าคนรักเก่าเมื่อหลายปีก่อน ที่ห่างหายเพราะเธอไปเรียนปริญญาโทฉันลืมตาขึ้นรู้สึกว่าความรับรู้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญอย่างยิ่งทํานองเดียวกับคนธรรมดาได้ยินเสียงตะโกนจากหน้าบ้านว่าเก็บค่าบริการขนขยะด้วยครับแล้วเห็นภาพเด็กเก็บเงินคนเดิมในใจอย่างไรอย่างนั้นผิดต่นี่ไม่ใช่เสียงเรียกของคนรักเก่าทว่าเป็นแค่สัญ ญ, ญาณโทรศัพท์ต๊อดตเท่านั้นหยิบกระบอกโทรศัพท์กรอกเสียงฮัลโหล เสียงจากต้นสายคือหวานใจคนเก่าของฉันจริงๆฉันไม่แปลกใจอย่างน่าแปลกใจฟังเสียงทักทายนุ่มนวลมีมิตรีของเธอด้วยความยินดีในฐานที่ไม่พบเจอกันเสนานฉันกับเธอจากกันด้วยมิตรภาพจึงไม่จำเป็นต้องมีทิฐิมานะใดๆเวลาใครคิดถึงแล้วเป็นฝ่ายโทรหาเธอขอโทษที่โทรมาสะดึกแต่บอกว่าเอาอัลบั้มเก่าออกมาเปิดเล่นเห็นรูปที่ถ่ายคู่กันก็คิดถึงฉันจนทนไม่ไหว อยากคุยด้วยเดี๋ยวนี้ฉันก็ว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะเพอเอิญยังไม่ง่วงเธอชวนคุยโ น, น, น่นนี่หรือฟื้นเรื่องเก่าๆถามไทยสารทุกสุกดิบฉันก็โต้อตอบด้วยความเต็มใจกับทั้งเป็นฝ่ายชวนคุยบ้างเพื่อไม่ให้เธอเก้อเขินลงท้ายหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปเธอก็เล่าเสียงเรื่อยๆว่าเลิกกับแฟนที่รู้จักกันระหว่างเรียนปริญญาโทในต่างประเทศหลายเดือนแล้ว ฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองดีใจหรือเฉยเมยรู้แต่ว่าคุยกับเธอต่อได้สนิทใจขึ้นและเมื่อเธอเรียบเคียงถามว่าตอนนี้ฉันมีแฟนใหม่หรือยังฉันก็ตอบว่าทำงานจนไม่มีเวลาเหลือสำหรับลองคบใครความจริงฉันเกือบตอบแบบปิดประตูสัมพันธ์ที่รู้รู้ว่าเธออยากขอสารต่อเช่นตอนนี้ฉันอยากอยู่สงบสงบคนเดียวมากกว่าจะคบใคร แต่ด้วยเกรงใจและใ ย, ยดีต่อเธออยู่มากจึงตอบเช่นนั้นซึ่งฟังแล้วแค่ให้รับรู้ว่าต่อจากเธอฉันยังไม่มีเวลาให้ใครอื่นครึ่งชั่วโมงต่อมาเธอก็ชวนฉันกินข้าวเย็นฉันงงงและอึกอักไม่รู้จะตอบอย่างไรนิสัยขี้เกรงใจหนึ่งกับความรู้สึกยินดีอยู่ลึกๆหนึ่งทำให้ปฏิเสธไม่ออกทั้งที่ใจบอกตัวเองว่าถ้าขืนรับนัดอาจมีผลกระทบชนิดเสียงานใหญ่ได้ ทานไฟเก่าที่ไม่เคยมอดดับอย่างแท้จริงนั้นเอาอะไรพัดเข้าไปหน่อยเดียวไฟก็กลับลุกพลงยาวแน่เชื่อขนมกินได้เลยว่าทุกอย่างไม่จบง่ายๆด้วยวิธีแกล้งหายตอมไปเฉยๆพอเห็นฉันเงียบครู่หนึ่งแล้วทำเสียงเออๆอออาออก็บอกว่าเข้าใจไม่เป็นไรรบกวนฉันมากแล้วคงขอลาแค่นี้หางเสียงน่าสงสารเสียจนกระทั่งใจฉันอ่อนยวบลืมคิดถึงงานใหญ่อย่างสนิท ตกปากรับคำด้วยอาการกัดฟันเล็กๆจนเธอถามย้ำว่าเต็มใจหรือเปล่าฉันก็กัดฟันตอบอีกว่าเต็มใจพอฉันวางสายฉันก็มานั่งถอนใจเฮือกบนเตียงความรู้สึกปั่นป่วนไปหมดเมื่อครู่ทำไมฉันไม่ใช้ประโยชน์จากนิมิตสมาธิหากรู้ว่าเป็นเธอก็แค่แกล้งไม่รับเท่านั้นตอนนี้สายไปแล้วอย่างไรพรุ่งนี้ก็ต้องทานข้าเย็นกับเธอตามนัด เรื่องเหลือเชื่อในโลกมีมากนักได้ยินมาเยอะเรื่องบังเอิญมีเครื่องขวางมาสกัดขณะกำลังรุดหน้าอยู่ในเส้นทางสู่มรรคผลคราวนี้เจอเข้ากับตัวเองและรู้สึกคล้ายอยู่ในห้วงฝันหรือเกมที่มีการหลอกล่อด้วยเล่ห์เพทุบายแยบยลเป็นชั้นๆคล้ายให้หาทางออกจากเขาวงกฏซับซ้อนไม่พอยังมีด่านดักต้อนหน้าต้อนหลังให้วกกลับไปวนในเขตหลงง่ายและต้องติดนานอีกตังหาก นเนได้ล่วงหน้าเลยว่าถ้ามีแฟนตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิและเดินจงกรมเป็นอันถูกเบียดบังไปจนหมดสิ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะรู้นิสยัยขี้อ้อนของแฟนเก่าคนนี้ดีเธอเป็นคนคุยเก่งความรู้มากหาเรื่องเจ้อได้ตลอดสองชั่วโมงไม่ซ้ำหนักใจแล้วก็หลับทั้งคลื่นคิดกังวลเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลาอันแสนวิเศษที่เจริญสติปัฐานจริงจัง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 หากถูกดึงดูดให้ปักติดกับความคิดถึงใครนิดเดียวมโนภาพของคนนั้นจะปรากฏแจ่มชัดราวกับสัมผัสได้จังๆและสัมผัสเป็นจริงเป็นจังนั้นก็ก่อให้เกิดความรวนเรเหหันได้มากเหลือเกินโดยเฉพาะถ้ามีสายใยพิศสวาสเป็นตัวผูกเชื่อมระหว่างใจกับมโนภาพฉันพยายามพิจารณาโดยความเป็นจิตมีราคะแต่พอรู้สึกถึงลักษณะราคะอันมีความอ่อนหวานอบอุ่นอ่อนโยน และเร่งร้าให้จิตจมปลักแช่อิ่มในอารมณ์นั้นแทนที่สติเจรืองแสงเป็นปัญญาเห็นราคะดับไปอย่างเคยกลับกลายเป็นความรู้สึกสัมผัสคนรักแจ่มกระจ่างขณะที่คล้ายสำเนียงเสียงและกลิ่นกายของเธอมากระทบประสาทสัมผัสอยู่ตรงนี้ไม่เพียงราคะจะไม่ดับแต่กลับทวีขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าฉันขบฟันนิดหนึ่งลักษณะอันเป็นอย่างเหนียวหนืดเข้มข้นของราคะเป็นอย่างไรเพิ่งประจักษ์ในบัดนี้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 พอถึงเวลาเจอเข้าจริงความรู้สึกฝ่ายต้านก็มาลายหายไปจนสิ้นเธอดูดีมีเสน่ห์กว่าเดิมเส อ, อีกทั้งท่วงทีกริยาทั้งวาจาชอเลาะราวกับไปฝึกปรือวิทยายุทธมาจากสำนักไหนสักแห่งจนเข้าขั้นไร้เทียมทานเล่นเอาชั้นงงงวยหลงมนเสน่ห์ไปหมดไม่ว่าเธอจะทำอะไรพูดคำไหนถูกใจเลือเกิน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 เหมือนครั้งเพิ่งเริ่มต้นสงสัยชีวิตทีเดียวราคะของจริงฉุดสติดิ่งลงเหวได้รวดเร็วยิ่งกว่ามือยักษ์กระชากอดีตคนรักที่วันนี้ทำท่าจะหวนกลับมาเป็นคนรักปัจจุบันทำให้ฉันรู้ซึ้งถึงก้นเบื้องสัจจะนั่นคือถ้าหากมีกายสัมผัสของคนที่เราพิสวาดเป็นเครื่องกำเนิดราคะจะไม่มีสติระดับไหนไหนเอาชนะหรือเห็นเป็นของเกิดแล้วต้องดับลงได้เลยเปรียบเสมือนน้าน้อยย่อมแพ้ไฟ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 จึงมีกฎห้ามคลุกคลีกับเพศตรงข้ามอันเป็นฆ่าศึกพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าอยากรักษาพรหมจรรย์ไว้ได้สบายๆไม่ควรเห็นสตรีเลยดีที่สุดหรือถ้าเห็นก็อย่าพูดด้วยหรือถ้าจําเป็นต้องพูดด้วยก็ให้มีสติเพื่อเป็นการสกัดกั้นราคะไว้ไม่ให้รั่วร ớt ถ, ถึงจิตแต่นี่ฉันทั้งเห็นทั้งพูดทั้งไม่มีสติสกัดกั้นด้วยข้อห้ามใดๆแบบวินัยสงสมบัติทางใจเก่า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 แต่ขอโทษทีไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกอย่างล้มพับ พ, พังภาพลงไปอยู่ที่ฐานไม่มีอีกแล้วสมาธิไม่มีอีกแล้วสติไม่มีอีกแล้วความมุ่งมั่นสแสวงมรรคผลวันที่ 11-22 ถึงความพยายามหวานล้อมหนุ่มสาวมีความสุขกันอย่างไรฉันกับแฟนก็ดาเนินไปตามคันลองนั้นไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้ง การมีกันและกันช่างหน้าอบอุ่นใจทุกอย่างดูดีไปหมดเห็นด้วยไปหมดหัวเราะประสานเป็นทำนองเดียวกันไปหมดคบแฟนได้ห้าวันสติฉันค่อยๆกลับมาและทบทวนว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อกลับเข้าเส้นทางสว่างสายเดิมโดยไม่ต้องทอดทิ้งเธอฉันค่อยๆหยอดทีละนิดทีลหน่อยเริ่มจากเล่า ว, ว่าหลังเลิกกับเธอฉันมีที่พึ่งทางใจเป็นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่บอกว่าฉันไม่เคยโกรธเธอรวมทั้งเข้าใจเธอดีทุกอย่างแต่ฉันก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งที่เศร้าส้อยและทุกข์หนักได้เหมือนใครๆทั้งหลายต้องหาทางดับทุกข์และวิธีดับทุกข์ที่ฉันพบว่าช่วยได้จริงก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้เป็นของกลางประจำโลกให้ทุกคนมีสิทธิหยิบจับมาใช้ร่วมสองพันกว่าปีแล้วดีกว่าคําสอนไหนๆของใครทั้งหมดต่อให้สังเคราะห์วิธีกันอย่างเป็นระบบ ด้วยสมองของนักจิตวิทยามือวางอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันก็ไม่มีวิธีไหนไปทาบได้ฉันพยายามสรรเสริญพระพุทธเจ้าและหนทางดับทุกข์ของท่านอย่างเลิดลอยแรกๆแฟนฉันก็ฟังอย่างสนใจซักถามเอาใจใหญ่ว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้นี่มาจากไหนนั่นใครเป็นคนพูดแต่หลังๆเริ่มไม่ปิดบังอาการง่วงเหงาหานอนหรือเปลี่ยนเรื่องพูดไปเฉย ฉันจึงเริ่มตระหนักว่าถ้าทางจะชักจูงเธอผิดวิธีไปหน่อยแน่นอนถ้าขืนปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ทุกอย่างคงเอวังสติและสมาธิฉันเสื่อมถอยลงทุกขณะลมหายใจหยาบจิตหยาบรู้อิริยบทไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้เดียวเดียวแล้ววูบพวังก็จะไม่ให้เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรในเมื่อคุณเธอเล่นโทรคุยเช้ากลางวันเย็นแถมรอบดึกอีกเป็นชั่วโมง ยอมรับว่ายิ่งคุยยิ่งหลงและกลับไปเป็นเมื่อหลายปีก่อนที่ขาดเธอไม่ได้ถ้าเธอไม่โทรมาฉันก็ต้องโทรไปอยู่ดีพยายามเจือธรรมะลงในหัวข้อสนทนาจีปาถะแต่ก็ยิ่งจางลงตามลำดับฉันเกิดความมุ่งมั่นจะทำให้เธอมาชอบธรรมะแบบฉันให้จงได้เราจะคุยกันแต่เรื่องปฏิบัติภาวนาฉันจะสอนเธอทุกอย่างตามฉันมาทุกก้าแล้วในที่สุด ก็ได้กอดคอกันไปนิพพานไม่มีใครต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเจอแล้วจากไม่ต้องลำบากในโลกแห่งความมีคู่แล้วไร้คู่อีกพรุ่งนี้วันอาทิตย์ฉันนัดเธอไปเที่ยวต่างจังหวัดล่อหลอกด้วยน้ำตกซึ่งแน่นอนเธอตื่นเต้นและยินดีร่วมทางอย่างเต็มใจฉันหลับอย่างมีความสุขยิ่งเป็นคืนแรกในรอบสองอาทิตย์ที่ผ่านมามาหมายว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ฉันจะมีคนรู้ใจมีเพื่อนคุยธรรมะมีเพื่อนร่วมภาวนาสแสวงมรรคผลนิพพานคงไม่มีคู่ไหนในโลกอีกแล้วที่เป็นสุขเท่าคู่ของฉันวันที่23สอนภาวนาเดินทางไกลข้ามจังหวัดมาเยี่ยมชมน้ำตกงามแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่านนักฉันกับแฟนลุยน้ำเย็นสลับกับเดินเท้าลัดเลาะขึ้นสูงไปตามขั้นน้าตกกระทั่งล่วงถึงช่วงกลาง แฟนฉันก็ขอพักเหนื่อยยาวเพราะบริเวณนั้นค่อนข้างร่มรื่นกว่าทุกจุดที่ผ่านมาแถมไม่ค่อยมีคนแวะพักมากนักเนื่องจากมาถึงชั้นนี้ก็อยากลุให้ถึงชั้นยอดเพื่อทอดทัศนาความงามอลือเลื่องบนนั้นเร็วๆฉันเป็นคนเลือกใต้ร่มไม้ใหญ่ที่มีพื้นกว้างพอจะนั่งพักสบายๆทั้งสองคนเป็นตำแหน่งปลอดสายตาแม้ไม่ถึงกับรับเปลี่ยมมุมบงังแต่ควรผ่านทางส่วนใหญ่ ถ้ามองแบบไม่สนใจก็ไม่เห็นว่ามีคนนั่งอยู่คุยกับคนรักสองสามคำแล้วก็เริ่มสร้างแรงบันดาลใจตามที่วางแผนไว้คือขอตัวนั่งสมาธิเพื่อพักสงบสักครู่ช่วยดูต้นทางให้ด้วยเพื่อมีเสือหรือหมีโผลมาจะทำร้ายก็ขอให้ปกป้องฉันไว้ดีๆแฟนฉันหัวเราะและเห็นเป็นเรื่องสนุกรับปากว่าจะเฝ้าดูให้อย่างไม่คลาดสายตาแต่ขอร้องว่าอย่าถอดวิญ ญ, ญาณออกจากร่าง เพราะถ้าเธออยากเดินขึ้นยอดน้ำตกแล้วไม่รู้จะไปชวนชั้นที่ไหนธรรมชาติช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งเหนียวนำให้กลับสงบได้เร็วอาจบวกกับแรงอธิษฐานมุ่งมั่นจะชักจูงหวานใจมหัสสมาธิด้วยพอตามรู้ลมหายใจเข้าออกโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงเพียงหนาทีกระแสจิตก็สงบลงและเปิดแผ่ออกในลักษณะปล่อยวางเป็นความปล่อยวางในลมหายใจเมื่อเห็นชัดว่า เข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงตามธรรมชาติฉันเป็นสุขในอิริยาบถนั่งนิ่งไม่ไหวติง่งรู้ศีรษะตั้งสบายรู้สองแขนตกแนบลาตัวรู้ตรงไหนสบายตรงนั้นราวกับแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเป็นเครื่องกำเนิดความเกษะเมซึ่งพอถึงจุดดังกล่าวฉันก็น้อมจิตทันทีนึกถึงคนรัก แล้วอธิษฐานว่าขอเธอจงสนใจใคร่ทำสมาธิให้สงบได้แบบฉันบ้างอีกครู่หนึ่งฉันก็เปิดเปลือกตาขึ้นสมหวังในเบื้องต้นเมื่อพบว่าคนรักกำลังจ้องมองตาแปว๋วมีแววสนเท่และสนใจใคร่อยากรู้ผิดไปกว่าเคยเธอบอกว่าไม่นึกเลยหลายปีผ่านไปฉันมีรสนิยมแบบฤาษีไปได้ตอนฉันนิ่ง ดูคล้ายเครื่องสูบลมเข้าออกขนาดใหญ่ที่มีความสุกสว่างแปลกตาดีแท้ฉันแค่ยิ้มยิ้มบอกเธอว่าภาพปรากฏภายนอกเป็นของตื้นแต่มุมมองภายในเป็นของลึกซึ้งเป็นรถอนเนือรถเป็นสภาพที่ขอหยิบขอยืมหรือปล้นชิงกันไม่ได้แฟนฉันเบะปากนิดหนึ่งก่อนว่าฉันโฆษณาเสียจริงไหนลองสอนให้ทาบ้างสิฉันดีใจจนตาเป็นประกายอานาจอธิษฐาน โน้มน้าวใจเธอสำริจผลแล้วขั้นต่อไปคือสอนเธออย่างเป็นขั้นเป็นตอนฉันจะถ่ายทอดสมบัติภายในทุกชิ้นให้กับเธออย่างไม่หวงแหนไว้แม้แต่น้อยเริ่มต้นที่คิดว่าง่ายสุดสาหรับเธอคืออธิบายเรื่องจิตปกติของคนเราโอนเองนไปทางคิดคิดคิ ด, คดเรียกว่าฟุ้งซ่านพอไม่มีอะไรจะคิดก็เหม่อลอยไม่รู้ตัวว่ากาลังมีเรื่องใดปรากฏอยู่ในหัวบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้า ว่ากระทาการหรือตัดสินใจเลือกอะไรไปเพราะเหตุผลชนิดใดการปล่อยให้ฟุ้งสลับกับเมื่ออย่างปราศจากเครื่องเกาะของสตินั้นคือความสูญเปล่าและนำมาซึ่งทุกข์อันไม่อาจพยากรณ์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ลมหายใจมากๆเอาง่ายๆก่อนแค่รู้ไปเรื่อยๆเท่าที่สามารถทำคือกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าหากมีลมหายใจเป็นเครื่องเกาะที่แน่นอนของสติ เราก็มีตัวชี้วัดว่าขณะหนึ่งหนึ่งกำลังมีสติหรือไม่มีสติแต่ธรรมดาคนเราฟุ้งหนักมาทั้งชีวิตจะให้พอใจไปยึดสิ่งใหม่มาเป็นเครื่องเกาะนั้นยากเพราะหมายถึงการปรับเปลี่ยนนิสัยทางจิตกันชนิดกลับขั้วฉะนั้นควรหัดทำสมาธิเพื่อสร้างความสุขความพอใจจะรู้ลมหายใจซะก่อนเมื่อรู้จักลมอันเป็นที่สบายมีสติเห็นชัดแล้วเป็นธรรมชาติแล้ว ก็แปลว่าเราจะมีราวเกาะสำหรับสติให้หยัดตั้งยืนขึ้นทั้งวันเนื่องจากลมหายใจมีเข้าออกตลอด24ชั่วโมงเธอรับฟังอย่างสงบจนฉันปลืม้มและเมื่อพอจะเข้าใจเหตุผลเบื้องต้นว่าสมาธิแบบพุทธนั้นทำไมควรใช้ลมหายใจเป็นเป้าจับฉันก็ให้เธอหลับตาลงและบอกว่าจะคอยทักให้เป็นขณะขณะว่าทาจิตทาใจไว้ถูกหรือเปล่า เธอปิดตาลงด้วยความไม่แน่ใจนักว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องมีสัมผัสทางจิตก็เห็นถนัดว่าเปลือกตาเธอเต้นยิบๆอย่างคนบังคับความคิดตนเองให้ปลงใจนิ่งไม่ได้ฉันจึงขอให้เธอลืมตาขึ้นมองไปข้างหน้าสบายๆจำไว้ว่าอาการทอดตาสบายตรงๆเป็นอย่างไรจากนั้นจึงให้ปิดเปลือกตาลงใหม่แต่สายตายังทอดไปข้างหน้าเหมือนเดิม พอดูแล้วว่านั่นทำให้ใจเธอปลอดโปร่งกว่าเดิมจึงชี้ว่าลมหายใจของเธอมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างทำขึ้นเป็นพิเศษแต่แค่รู้ตามจริงเหมือนถามตัวเองว่าขณะนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าพอสังเกตเห็นลมหายใจเธออ่อนเข้ายาวกว่าออกมากฉันให้เธอคิดว่าจะถอนใจยาวเหมือนเพิ่งเสร็จงานแล้วโล่งอกกับทั้งให้สังเกตด้วยว่า เราจะรู้ลมถนัดขึ้นถ้าหายใจออกยาวเสมอหรือใกล้เคียงกับหายใจเข้าอุบายง่ายๆคือเริ่มต้นด้วยความคิดว่าจะถอนใจให้เกิดความโล่งอกนี่แหละแม้ที่พระพุทธเจ้าสอนอนาปานาสติท่านก็ให้กําหนดสติรู้ลมหายใจออกก่อนลมหายใจเข้าฉันเพิ่งเห็นค่าในแง่าการเริ่มต้นสําหรับมือใหม่ชัดเจนก็คราวนี้เองเสียดายเมื่อฉันเริ่มต้นไม่มีใครชี้ให สำหรับฉันเองนี่ถือว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าให้ผู้ที่ฝึกรู้ลมหายใจตัวเองโดยความเป็นของเกิดดับแล้วท่านให้ฝึกรู้ลมหายใจของคนอื่นโดยความเป็นของเกิดดับด้วยเช่นกันเพื่อความเห็นชัดว่าทั้งของเราของเขาต่างก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ใช่เฉพาะของเราที่ไม่น่ายึดของคนอื่นก็ไม่น่ายึดเสมอกันด้วย ลมหายใจของคนรักฉันค่อนข้างแผ่วอ่อนเห็นชัดจากอาการทางกายที่กระเพื่อมน้อยและเป็นเหตุให้คลื่นความคิดฟุ้งซ่านเข้าแทรกแซงง่ายหรือไม่ก็โงกง่วงวัยฉันจึงขอให้ระบายลมออกยาวและหายใจเข้ายาวเป็นระยะระยะเพียงจับสังเกตด้วยตาเปล่าว่วาลมหายใจใครกำลังเข้าหรือออกกำลังยาวหรือสั้นเพียงสักสองสามระลอกลม แค่นั้นเราก็จะเริ่มเห็นความรู้สึกของเขาแล้วว่ากำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กำลังหดหูหรือฟุ้งซ่านเคลื่อนจิตที่มาประกอบพร้อมอยู่กับแต่ละลมหายใจจะถูกรู้ได้ด้วยสติของเราอย่างชัดเจนเราวกับเห็นกลุ่มหมอกควันเข้มขึ้นหรือจางลงหากฝึกจนชนานาญแล้วแม่ไม่เห็นหน้าก็บอกได้ว่าใครกาลังหายใจสั้นหรือ ย, ยาวคลื่อนจิตกาลังเปิดสบายหรือขมวดแน่น หมดหูหรือฟุ้งซ่านซึ่งจะทำให้พิจารณาว่าสภาวะหนึ่งสภาวะหนึ่งสักแต่เป็นสภาพเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาบางทีจะง่ายกว่าสังเกตของตัวเองซะอีกเธอว่าด้วยความที่คนรักของฉันไม่สมัครด้วยตนเองมาแต่ต้นพอทำทำไปแล้วเหมือนจะหลับเธอก็ลืมตายยิ้มให้เพลียๆสังเกตด้วยตาโดยไม่จาเป็นต้องอาศัยจิตสัมผัสก็ทราบได้เธอกาลังคิดว่าไม่รู้จะทาไปทาไม ฉันไม่ฝืนใจชักชวนเธอเดินชมน้ำตกต่อแต่อย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นไปบ้างแล้วหวังว่าจะมีความคืบหน้าวันต่อวันแบบหยอดเหรียญใส่กระปุกเดี๋ยวก็ต้องเต็มขึ้นมาเองจนได้ขากลับระหว่างนั่งในรถคนรักของฉันหลับตารู้ลมหายใจเล่นๆปรากฏว่าเธอหลับอย่างสบายเป็นพิเศษตื่นขึ้นมาก็บอกว่ารู้สึกดีและจะพยายามทาอีกเรื่อยๆ คำพูดของเธอทำให้ฉันเกิดกำลังใจและมาดหมายว่าความสัมพันธ์อันดีกำลังจะก่อตัวขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่งคือเป็นกลาลยนานมิตรให้แก่กันและกันไม่ใช่คบกันเพียงเพื่อเสพสุขร่วมกันแบบโลกโลกเหมือนคู่อื่นไหนวันที่24 30, ถึง30เทียงจากคนละโลกครั้งต่อๆมาไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์หรือเจอหน้ากัน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 ได้เห็นจริงๆว่าความคิดคนอื่นเป็นอนัตตาอย่างไรควบคุมให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้อย่างไรเธออ่านเสร็จก็ถามว่าวันหนึ่งฉันจะทิ้งเธอไปไหมฉันออึง้งและตอบอย่างหนักแน่นว่าถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติภาวนากันไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องหันหน้าไปจากเธอในเมื่อฉันก็ยังอยู่บนเส้นทางเดิมแต่เธอก็ถามอีกว่า แล้วถ้าฉันถึงภาวะเหนือโลกล่ะอ่านจากประสบการณ์หนึ่งอาทิตย์ที่ปลีกวิเวกในช่วงต้นเดือนนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าฉันจะไม่มีความยินดีข้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเลยถึงเวลานั้นฉันจะเอาเธอไปไว้ที่ไหนฉันเกือบพูดไม่ออกบอกแต่ว่าฉันไม่ใช่ของเกิดกันได้ง่ายๆเกิดมาฉันเพิ่งทำได้หนเดียวแล้วอย่าว่าแต่ฉานเลยสมาธิฉันดีที่พาใจพรากห่างจากกามก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ขณะต้องดำรงชีวิตแบบคนเมืองอย่างนี้แต่ความคิดประจำเพศไม่ทำให้เธอหยุดยั้งเธอมีคำถามผ่านพาโลตามมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นคาดคนจะเอาคำตอบให้ได้ว่าทำไมฉันต้องคิดไปนิพพานอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดหรือฉันตอบว่าเปรียบเหมือนคนกำลังจะจมน้ำพอใครมาบอกวิธีขึ้นเรือก็ต้องรีบขึ้นเรือพอใครมาบอกทิศทาง และวิธีพายเรือเข้าฝั่งก็ต้องรีบแล่นไปหาฝั่งคงไม่มีใครทิ้งโอกาสทองมาแต่เกียรตะกายต่อเพียงเพื่อได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้ไม่เอาตัวรอดและคิดดีๆผู้ลอยคอกลางน้ำด้วยกันย่อมไม่อาจหอบหิ้วกันเองกระทุ่มตัวเข้าหาฝั่งได้สำเร็จต้องมีใครสักคนเพียนขึ้นฝั่งซะก่อนแล้วค่อยหาวิธีต่อเรือลาใหม่มาช่วยคนที่ยังอยู่ในน้าได้อีกฉันยกตัวอย่างว่า แม้เอาตัวยังไม่รอดก็มีแก่ใจห่วงเธอและเพียรพยายามช่วยเหลือเธออยู่อย่างเต็มกําลังอย่างนี้จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเธอเล่นไปคิดห่วงล่วงหน้าถึงอนาคตไกลๆกลัวฉันจะบวชกลัวฉันจะหลีกเร้นหายหน้าไปขอให้ย้อนกลับมาสํารวจเถอว่าถึงไม่ต้องคิดบวชสละโลกเธอเองเคยทิ้งใครมาก่อนไหมคนที่กําลังมีกิเลสในโลกนี่แหละมีโอกาสหลายใจเปลี่ยนใจ แปรใจเป็นอื่นคิดทิ้งคว้างกันยิ่งกว่าคนฝ่ใจทางธรรมมากนักเธอเงียบอึ้งไปนานก่อนยอมรับว่าคิดมากไปห่วงว่าฉันเบื่อแล้วจะทิ้งง่า ย, ายเธอคงทนไม่ได้ฉันฟังด้วยความสะอึกอึ้งเงียบงนันคนเราเป็นกันอย่างนี้จริงๆตอนทิ้งคนอื่นไม่เป็นไรแต่ใครอย่ามาทิ้งตัวก็แล้วกันโลกแตกเป็นสิ่งเสียงแน่นับแต่วันที่เถียงกันครั้งแรกฉันรู้สึกว่าแฟนชักกังวลไม่เป็นสุข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 ก็ล้วนเป็นเธอเองที่กำหนดคนประเภทนี้คิดดูก็โชคร้ายเพราะอยู่ในชาติที่มีสิทธิ์ออกจากสังสารวัตรแล้วแต่สุกกายสบายใจเส้อจนไม่มีแก่ใจอยากออกไม่รู้จะออกไปทำไมทางออกก็เดินยากลำบากและต้องสละโน้นสละนี่เยอะแยะไปหมดคือหนึ่งขณะที่ฉันกำลังฝึกสมาธิแบบเห็นกลางคืนเป็นกลางวันด้วยความติดใจอยู่นั่นเองคนรักก็โทรมา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 ฉันอดคบหาเธอไม่ได้ก็จริงแต่อีกใจก็ไม่อยากมีห่วงไม่อยากมีภาร ะ, ระไปอีกอย่างน้อยยี่สิบกว่าปีต้องเสียเวลาประครบประงบเด็กแปลกหน้าที่จะมาเป็นลูกอาการอาำเอึ้องเป็นคำตอบที่ดีพอเธอหัวเราะเสียงปลาและบอกฉันว่าแค่นี้ชี้ได้ไหมว่าฉันถูกศาสนาสอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมทาหน้าที่ของมนุษย์ตามธรรมชาติการดารงเผ่าพันธุ์อยากสบายเอาตัวรอดคนเดียว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 พอเห็นฉันเงียบเธอก็เริ่มใส่ใหญ่ไม่มีแล้วความน่ารักไม่เหลือแล้วความประณีประนอมพอเธอขาดเหตุผลขึ้นมาก็หาอะไรมาทิ่มตามเรื่อยเปื่อยตามวิสัย่านของปุถุชนเธอประชดว่าทำไมไม่บวชบวชไปซะเลยจะได้มีคนสาธุอุดหนุนให้เร่งขึ้นฝั่งไม่อยู่เป็นคารวาสให้เธอเข้าใจผิดอย่างนี้ทำไมฉันงงค้างไปหมดช่วยเธอทบทวนความจาว่า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 ยังยอมลำบากสถาปนาพุทธศาสนาเพื่อบอกทางรอดแก่มนุษย์ผู้มีปัญญาทั้งหลายแต่นี่มากล่าวตู่พระองค์ด้วยโทสะหาว่าท่านเป็นผู้นำแห่งความเห็นแก่ตัวเสนี่ในใจแฟนฉันเธอคงรู้สึกว่าพูดไม่หนักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นการว่ากระทบผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวฉันแต่ในใจฉันสิทั้งกลุ่นโทสะด้วยความรู้สึกยิ่งกว่ามีคนมาด่าพ่อทั้งสลดสังเวชสงสารเธอ ที่หาเรื่องใส่ตัวด้วยความไม่รู้โดยแท้ตกลงฉันพยายามเคี่ยวเข็นให้เธอมีความชอบในการเจริญภาวนาเพื่อผลสุดท้ายคล้ายโปรยยาพิษให้เธอต้องด่าวดิ้นทรมานในภายหลังกระนั้นหรือฉันเห็นแล้วการยัดเยียดแก้วล้ำค่าเกินตัวใส่มือคนรักบางครั้งนอกจากจะไม่เกิดผลดีอันประเสริฐแล้วยังอาจนำภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงมาสู่เขาอีกด้วยฉันน่าจะเห็นตามจริง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 เกิดนิมิตสมาธิเป็นใบหน้าเธอแจ่มชัดนิมิตสมาธิไม่ได้บอกฉันเลยว่าคนรักเก่าจะมาทําให้การภาวนาพังหมดเธอมาคนเดียวเหมือนพ่วงกองทัพกิเลสทุกชนิดครบสูตรทั้งราคะโทสะโมหะฉันได้แง่คิดหนึ่งคือนิมิตสมาธิแม่แม่นยาําแต่บางทีก็บอกอะไรเราได้เท่าที่เพดานปัญญาของเราจํากัดอยู่ ปัญญาของฉันยังไม่สูงเหนือโลกยังติดอยู่กับโลกก็บอกฉันแค่ใครเป็นคนโทรมาซึ่งไม่ได้มีค่ากว่าตอนยกหูโทรศัพท์แล้วรู้ด้วยหูเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าเพดานปัญญาฉันสูงกว่านี้ปิดกั้นกรมาสุขได้เด็ดขาดกว่านี้พอเกิดนิมิตหน้าแฟนเก่าแล้วคงมีเครื่องหมายบางอย่างบอกด้วยละ่ะว่าเธอจะนำความพินาศมาสู่การเจริญภาวนาคิดไม่ตกว่าควรทำอย่างไรแน่ใจอย่างเดียวคือความรู้สึกของฉัน ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่มองเพื่อความปลอดภัยของเธอเองถ้าแม้ใจฉันยังเปิดรับภาวะคู่ก็คงไม่ใช่เธอแน่แล้วชีวิตฉันเบี่ยงจากวงโคจรแบบของเธอมาแล้วคงไม่อาจต่อเชื่อมกันได้ติดอีกกระมังวันที่ส1อวันลาแฟนฉันโทรมาแต่เช้าน้ำเสียงร่าเริงเป็นปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ความจริงคือมีอะไรเกิดขึ้นในใจฉันมากมายและสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ใจฉันเย็นชาเมื่อเธอนัดทานเข้าเย็นฉันเพียงตอบสั้นๆว่าขอให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเถอะอย่าอยู่ในฐานะที่ต้องเสียความรู้สึกต่อกันในภายหลังอีกเลยฉันพูดไม่ทันจบคำเธอก็ตัดสัญญาณไปเกิดความรู้สึกเศร้าลึกขึ้นวูบหนึ่งรู้ใจตัวเองว่ายังรักเธออยู่แต่มันจะไม่ใช่แบบนี้ แบบที่เปิดโอกาสให้เธอทำบาปทำความเดือดร้อนให้ตัวเธอเองอย่างไม่อาจคาดคำนวณได้ถูกวันนี้เป็นแค่วันลาอีกครั้งหนึ่งอาจจะลากันอย่างนี้มันนับพบนับชาติไม่ท่วนเอาแค่ชาติปัจจุบันก็สองหนเข้าไปแล้วหน้าเน็ดหน่ายคลายความยินดีกับการจับคู่เพื่อชวนกันวนเวียนในเขาวงกฎเลอเกินยิ่งนาทีระหว่างวันผ่านไปใจฉันยิ่งหมนเศร้าอย่างไม่อาจกาหนดสติรู้ เพราะนี่คือบทเรียนแห่งความเจ็บปวดซ้ำสองจากผู้หญิงคนเดียวกันฉันเขียนสรุปสิ้นเดือนด้วยความทรมานใจเกินบรรยายบอกกับตัวเองสั้นๆว่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งฉันจะนับหนึ่งใหม่อีกหนสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่สามหนึ่งได้เปรียบเทียบสภาวะจิตต่างๆจนเกิดความวางเฉยแม้ในจิตตั้งมั่นประณีตนับเป็นการปรากฏครั้งแรกของอุเบกขา อันเป็นองค์ที่7ในโพชชง 2. เกิดประสบการณ์ถึงระดับฌานเป็นครั้งแรกแต่ก็ครั้งเดียวยังไม่อาจนับว่าเป็นผู้สามารถเทียบเคียงระหว่างจิตเป็นฌานกับจิตไม่เป็นฌานแต่พูดได้เต็มปากว่ารู้จักเทียบเคียงสภาพระหว่างจิตเป็นสมาธิกับไม่เป็นสมาธิได้แล้ว 3. ความสุขระคนเศร้าอันเกิดจากบทเรียนทางโลกที่ไม่เคยเข็ดหลาบ ตระหนักว่าราคาทำให้จำอะไรไม่ได้นอกจากแรงดึงดูดเฉพาะหน้าไม่แน่ใจเลยว่าถึงเดี๋ยวนี้เข็ดสถีหรือยัง